ชีวิตการผ่นน้าเป็นการส่งน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อให้เกิดความสมดุลผันจากที่ที่มีน้ำมากมาสู่ที่ที่มีน้ำน้อยซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันของภาคประชาชนที่ร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร ม, ม, มหาราชมหามนาบราธบพิษทรงมีพระราชดำริณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2557ถึงเรื่องการผ่านน้ำโดยให้มีการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้าต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไป กรมทรัพยากรน้ำได้น้อมนำพระราชดําริมาดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ําให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่ามะขามตาบลท่ารอกและตำบลไผ่ล้อมจังหวัดพิจิตรโดยเริ่มดําเนินการจากการขุดลอกแหล่งน้ําสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ําสร้างฝายชะลอน้ํารวมถึงสร้างระบบผ่านน้ําที่มีประสิทธิภาพทําให้เกิดความเท่าเทียมในการใช้น้ําประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง